นะมันจึงทําให้การไม่จบไม่สิ้นเป็นอยู่เนี่ยวัตถุกรรมของเราก็เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่จบไม่สิ้นเป็นอยู่เนี่ยมันไปยึดในอะไรเราก็จะต้องไปรู้ที่สิ่งนั้นพระเจ้าก็สอนให้กําหนดรู้ทุกกําหนดรู้ทุกนะแล้วเมื่อรู้จักตัวทุกข์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยตัวสมุทยัยมันก็จะค่อยๆถอนออกถอนออก ค่อยๆมีกำลังน้อยลงน้อยลงบางลงบาง ล, งลงไปเรื่อยๆอยนี่นะนั่นการกําหนดรู้ทุกก็พิจารณาในชีวิตประจําวันนี้แหละอย่านิยมที่อุบาจารย์ท่านได้ให้อุบายไปต่างๆรวมทั้งในที่มีอยู่ในพระสูตรต่างๆมหาทุกขับคันทสูตรเป็นต้นหรือว่าใครชอบอ่านแบบนิ่มๆศึกษาในชาดกก็จะดีอยอมชาดกมหาชาตินะเตมียชะชาดกพวกนี้ท่านก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ดีมากเลยนะ ทาให้จิตเราได้ได้รู้ทางที่จะไปในทางที่ควรจะเดินไปบ่อยๆนะมันก็จะค่อยๆมองอีกมุมหนึ่งจากเดิมที่กิเลสมันเคยมองอยู่มุมเดียวมุมเดียวมุมเดียวเนี่ยนะก็อาศัยอย่างนี้แหละนะกำหนดรู้ทุกนะทำความรู้ความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วนั่นแหละตัณหาที่มันต้องการก็เพราะว่ามันไปเข้าใจว่ามันเป็นสุขมันมีวิปลาสอยู่นะเข้าใจว่าเป็นของ สุขบ้างเข้าใจว่าเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนเป็นตัวตนอย่างนี้มันก็ทำงานนะเราก็มาพิจารณาในชีวิตของเราจริงๆเนะี่ยตอนเช้าเวลาจะขับถ่ายต่างๆเนะี่ยเวลาจะล้างหน้าแปลงฟันนะเราทำความรู้ทำสติสมัมปชัญญะให้เกิดขึ้นได้ไหมนะแทนที่ตันหาที่มันเคยทำงานอยู่ประจำเนะีนะ่ยเวลามีทุกข์มากๆ ที่ปากที่ท้องไม่ว่าจะเป็นท้องหนักท้องเบาเนี่ยทุกมันก็เป็นอาหารของปฏิคานุสัยเป็นที่ตั้งของโทสะเราจะป้องกันยังไงไม่ให้โทสะมันไปไปชังทุกข์ตอนนั้นความทุกข์ที่ได้นะแล้วก็ทำยังไงไม่ให้ไอ้ตันหานไปเอื้อมเอาความสุขหลังจากที่ได้ปลดปล่อยหรือว่าชาระล้างออกไปแล้วเนี่ยเราจะวางเวียามคือสติสัมปชัญญะเข้าไปทางานแทนในตัว โลภะกับโทสะที่มันคอยทำงานเป็นทางสองสายนี่นะทางสองสายที่เป็นการมาสุขันก็โลภะอัตตกินแลมฐทานก็เป็นสายโทสะนี่ถ้าเราไปซึ่งตัวปงกันใหญ่ก็คือตัวโมหะไม่รู้นะหลงรักบ้างหลงชังบ้างนี่เราก็จะวางปฏิปทาใหม่ทางเดินของใจใหม่ เราจะให้สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยลงไปทํางานแทนในคราวเหล่านั้นแหละในคราวเหล่านั้นแหละด้วยนะในขณะที่เราศึกษาพิจรารณาธรรมนะท่องบนสัจจะย่าธรรมเพื่อให้เพื่อให้จําได้จะได้มีข้อมูลเอาไว้พิจารณาได้เนี่ยส่วนนี้ก็ต้องทําด้วยแล้วก็ในขณะที่เราจะต้องดําเนินชีวิตปกติเหล่านั้นเนี่ยเราก็ควรจะวางสติสัมปชัญญะเข้ามา เข้ามาเป็นเวรยนยามนะมาเข้าเวรยนเข้ายามไว้ด้วยนะเพราะม่งั้นแล้วโลภะโทสะมันก็ชิงจังหวะที่จะทำงานอยู่ประจำประจาประจ ำ, ะจำพอมันมากๆเข้ามันก็นะกิเลสจากที่เป็นระดับเบาๆเกิดละเอียดละเอียดเนี่ยมันก็หนาแน่ น, นขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มรุนแรงออกไปล้นใจทีนี้กลายเป็นวิติกรมะกลายเป็นปริยุทธานวิติกรมะต่อไปนี่นะ เ, เพราะฉะนั้นก็ ในเรื่องของการกําหนดรู้ทุกนะเาจมาสรุปแค่ว่ากามนี่มันก็กคือตัวอริยสัตว์2ตัวทุกกับสมุทัยนะซึ่งเราจะฟังกันอีกทีในหัวข้อของอริยสัตว์ก็คงจะสรุปประเด็นให้พวกเราได้ได้ช่วยกันกาหนดจดจาไว้เท่านี้ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อธรรมกะสึกองค์ท่านต่อไปที่จะมาบรรยายในหัวข้อข้างหน้านี่นะคมแค่นี้อยู่ ในปัญหานะครับข้อที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกามนะครับแล้วก็อะไรเป็นทางเพื่อสร้างออกจากการเข้าที่ฟังพระอาจารย์มาครับก็จะกําหนดว่ากามมีสองประการก่อนใช่ไหมครับก็คือวัตถุ ก, การ์อย่างหนึ่งกับกิเลสการ์อย่างหนึ่งซึ่งเบื้องต้นนะครับท่าอาจารย์ก็ได้แสดงถึงว่าวัตถุการ์เนี่ยนะมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็กิเลสการ์มันเกิดมาจากอะไรก็โดยที่ ในอนุภูมิปภิษฐานี้นะครับพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของทานนาศีลแล้วก็สุกติภพแล้วก็มากามาทินบะคือการเห็นโทษฉะนั้นสิ่งหน่งที่ท่านอาจารย์บอกคือว่าก็คือทานศีลนะครับอันนั้นก็คือทําให้เราได้สุกติภพสุกติภพโดยที่นี้คือเช่นมนุษย์อัตภาพความเป็นมนุษย์ก็ดีอาตภาพความเป็นเทวดาก็ดีซึ่งอาตภาพความเป็นมนุษย์เทวดาเหล่านี้แหละเราก็จัดว่าเป็นวัตถุ ก, การมได้ เพราะว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับอัตภาพของเราก็ดีหรืออัตภาพของผู้อื่นก็ดีก็เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนักยินดีนะครคือตัวกิเลสกรรมของเราฉะนั้นกรรมดีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เราเกิดมาเพราะเราเกิดมาแล้วนะครับเพราะความที่เรายังมีอวิชชามีตัณหาที่ปกปิดโทษมองไม่เห็นโทษของการมอยู่เนี่ยก็คือไม่เห็นโทษของอัตภาพตนเองก็ดีในอัตภาพของบุคคลอื่นก็ดีก็ เป็นเหตุให้เรานั้นเกิดกิเลสกรรมนะครับต่อไปได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงตัวตันหานะครับก็เป็นเหตุเกิดทุกข์กัจจะ ก, ก็คือวัตถุกรรมก็ได้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีทานศีลก็ดีที่เราทํานี้นะครับบุคคลที่ยังทําทานและจัดเป็นกุศลรักษาศีลหรืเป็นกุศลอยู่ก็เพราะว่าผู้นั้นเนี่ยยังละตันหาไม่ได้นะฮะละตันหาก่าวในชาติก่อนไม่ ไ, มได้เพราะฉะนั้น เมื่อเร า, อาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีบุคคลบางคนก็ปรารถนาความเป็นมนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัติบ้างก็คือมีความผูกโยงหรือเยื่อใหญ่เกี่ยวกับการเกิดต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราทําบุญด้วยด้วยความผูกพันเกี่ยวกับขันในอนาคตนะครับด้วยหน้าตัณหาเนี่ยยินดีพอใจอยู่เช่นทําบุญก็สําคัญว่าเป็นหญิงก็ขอให้เกิดเป็นหญิงอีกอย่างนี้เป็นต้ น, นะะเป็นชายก็เกิดเป็นชายอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นตัณหาเหล่านี้แหละก็เป็นให้เรานั้นได้ทําบุญ นะครับโดยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างฉะนั้นทั้งตัณหาก็ดีทานก็ดีศีนก็ดีก็เป็นเหตุเกิดสุกติภพนะครับแต่จากภาพบรรลุลเทวดานะอันนี้คือเหตุท้องเกิดวัตถุ ก, การมทีนี้เมื่อเราเกิดมาเป็นมรรลุลุเทวดาแล้วใช่ไหมครับซึ่งเรียกว่าวัตถุกรรมนะก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสการต่อไปได้อย่างที่ท่านอาจารย์สันตินะครับท่านได้กล่าวว่าการมวิตกใช่ไหมครับการมวิตกก็คือ ความดำริในกามนั่นเองก็ได้แก่การที่จิตใจของเรานี้ <c oughs> นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันโดยการระลึกนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องกามเป็นประจำเช่นนึกถึงตัวเองว่าสวยอย่างนั้นบ้างผมงามตางามหรือของคนอื่นบ้างงานนี้นะครับเมื่อมีกามวิพตตกบ่อยๆนึงๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดตัวกิเลสกามต่อไปเพราะว่าเมื่อเรามีกามวิตตกนะครับ โดยการดําริบถึงการเมืองเนืองนืเนี่ยตัวตันหาซึ่งเป็นตัวกิเลสกรรมความทยานอยากมันก็จะสืบต่อมาได้เพราะอาศัยความดําริที่ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ไม่ใช่เฉพาะการมวิตกเท่านั้นนะครับท่านอาจารย์ก็ยังแสดงถึงเรื่องของเวทนาใช่ไหมครับว่าเวทนาก็เป็นเหตุแห่งกิเลสกรกรมด้วยนะโดยท่านยกในปฏิจจสุ บ, บาตว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจะมีตันหานะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรานะ มีการเห็นรูปได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราเกิดสุขใจนะครับเกิดความสุขใจเมื่อเกิดความสุขใจแล้วมันก็เป็นปัใจจัยให้เรานั้นเกิดความพึงพอใจในความสุขที่ได้รับจากการเห็นการดูการฟังเหล่านี้นะครับเพราะอาศัยอะไรอาศัยอโยนิโสมรติการคือการที่เรานั้นไม่ใส่ใจในอารมณ์ให้ถูกต้องนะครับที่จะไปเหตุแห่งกุศลนะก็คือขาดสตินันเดงขาดสติขาดปัญญาในการที่จะ ยับยั้งนะครับตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเห็นและการฟังเป็นต้นเหล่านี้ดะงนั้นเวทนาก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทําให้เกิ ด, ดกิจกรรมหรืออีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์แสดงถึงปยรูปสาตรูปใช่ไหมครับว่าปีรูปสาตรูปนะก็เป็นปัจจัยให้เกิ ด, ดกิจกรรมได้ก็คือหมายความว่าสภาพที่น่ารักน่าพอใจนะครับเพราะว่ากาิจกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือมีการกําหนดหมายสิ่งต่างๆ นะครับในโลกนี้นะทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตว่าเป็นสิ่งน่ารักน่าพอใจถ้าปัญญาเนี่ยมันจะไม่กําหนดอย่างนั้นนะครับจะเห็นว่าเป็นอสุภะบ้างอย่างนี้นะครับเป็นของไม่งามเป็นของหาสาระไม่ได้เนีฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปนะครับอ า, าอาจารย์บอกก็คือว่ากาิเลสกรรมก็เกิดจากการมวิตกก็มีนะเกิดจากเวทนาก็มีเกิดจากปิยรูปสาตรูปก็มี นะครับทีนี้ธรรมะที่จะเป็นเครื่องสรัดออกจากกรรมเนี่ยมันก็คงจะตรงข้ามนะครับเมื่อมีกรรมวิตกก็ต้องใช้เนคขาวิตกนะครับก็คือการดับริในการที่จะออกจากกรรมนะครับดับริในการที่จะออกจากกรรมด้วยการเห็นโทษของกรรมเนะี่ยซึ่งพระเจ้าแสดงเอาไว้มากมายนะครับว่าเนี่ยกรรมมีคุณน้อยนะครับมีโทษมากเป็นของเล็กเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คนทั้งหลายนะครับที่ไปเกิดในอบาย ก็เพราะอาศัยกามอันี่ท่านอาจารย์สมทบได้อธิบายเอาไว้นะครับเป็นเปรตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าหมกมุ่นอยู่ในกามนั่นเองก็เปรตุอย่างการฆ่า <profiles> ส <open, S 1> ัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างเพราะอาใัยกามเป็นเหตุนะครับเขาก็ไปเกิดในอาบายฉะนั้นเราก็ใช้ธรรมะเครื่องสัดออกก็คือเช่นเนกขมวิตกหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างน um ี yeah. ้เป็นต้นนะครับหรือกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ การเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลจะเกิดได้ต้องอาศัยสติสรุปความก็คือว่าเราต้องหมั่นให้สติเกิดบ่อยๆถ้ามีสติเกิดบ่อยๆตามทวารทั้งหนะครับการก็จะไม่ได้ช่องในโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุเกิดของกามแล้วก็ธรรมะเป็นเครื่องสะระออกจากกามซึ่งผมก็ยกไปที่สตินั่นแหละเป็นสําคัญนะครับสติเป็นเครื่องรักษาษกษุศลจิตเอาไว้เสมอนะครับ อในหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับการมหาธินวะกับเนคขมะนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คนข้าโอษฐจะค่อนข้างไปไกลตัวสําหรับพวกเรากระดิบหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการมากก็คือเป็นหลายท่านก็อาจจะขาดสติมากแต่หลายท่านก็อาจจะไม่ใช่นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะอทั้งเผือสติกันบ่อยนะในหัวข้อต่อไปครับท่านอาจารย์ อันนี้เราอาจจะได้ยินกันบ่อยนะครับก็คือตันหาสามประการนะครับตันหา3ามประการเช่นการมาตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหานี่คืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับขอทั้ง3มท่านเลยครับท่านอาจารย์ที่โต๊ <c oughs> ะท่านอาจารย์เาใครก่อนเอาาจารย์สันติก่อนเลยเพราะว่าออเอาเองจากน้อยไปมาก ก็คงได้ยินกันบ่อยนะเพราะเราสวดธรรมจักกับประวัตินัสูตรนะพอถึงสมุทไทยสัตว์ใช่ไหมก็สมุทไทยเป็นไฉไนนะตัวท <kh> ี <flavor> ่ทำให้เกิดในพบใหม่ต <bir ka innovations> ัวที่ทยานอยากในอารมณ์ให้เกิดใหม่เนๆเนี่ยนะก็คือการมัตรฐานเาะวตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาครันี้คําแปลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแปลว่าการมัตรหา็คือความทยานอยากในการ เพราะว่ตัณหาก็คือความทะยานอยากในความมีความเป็นวิเพราะว่าตัณหาก็คือความทะ ย, ยานอยากในความไม่มีไม่เป็นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนนะนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงสภาวะเลยก็ก ร, รมตัณหานี้หมายถึงตัวโลภะที่ยินดีพอใจในการมาขุนห้าและกามธรรม ท, ทั้งหมด กรรมคุณห้ากรรมธรรมถ้าพูดถึงกรรมคุณห้านะให้รู้ว่าหมายถึงกรรมธรรมทั้งหมดเลยเพราะกรรมคุณห้าคืออะไรสีเสียงกลิ่นรสผดผะถ้ายินดีในสีจะยินดีในตาด้วยไหมถ้ายินดีในสียินดีในตาจะยินดีในจิตเห็นด้วยหรือบ่ายินดีในจกักหุทวานวิถีจิตไหมนะทางหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันนะเนะสียงกลิ่นรสผดผะ ถ้าเกิดยินดีในอารมณ์ห้าก็เท่ากับยินดีในทวารห้าในวิญญาณห้าแล้ววิญญาณห้าจะมีไหมบอกว่าวิถีจิตทางทวารห้าเกิดขึ้นแล้วไม่มีโมโนทวารวิถีเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพรมันถ้าเกิดเรามีสีเสียงกินแล้วปวดตะแต่เราไม่รู้เลยว่าไอสิ่งนั้นมันคืออะไรเราจะชอบไหมไม่ชอบอ่ะนะมีครั้งหนึ่งสุนัขขัดตระริชวีนะบวชไปแล้วก็ไป ขอกรรมฐานอบรมเจริญอภิน ญ, ญาได้ตาทิพย์พอตาทิพย์ก็ส่องตาไปเห็นนางฟ้าเทวดาทั้งหลายใช่ไหมแต่ว่าเขาพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องอะ่ะก็อยากจะรู้นะก็เลยไปขอกรรมฐานกับพุทธเจ้าหมายปะตอนนี้จะขอบริกรรมหูทิปัง้งแต่พุทธเจ้าก็รู้อดิยสายว่าไม่มีอุปนิสัยที่จะได้หูทิปะนะนะก็เลยไม่ให้ตอนหลังเขาก็เลยเห็นผิดแล้วก็ศึกออกไปนะไปนับถือพวกเดรัจี เห็นไหมว่าแค่เขาเห็นสีเท่านั้นเนี่ยไม่พอยังจะต้องได้ยินเสียงด้วยนะแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวแต่ไม่รู้ความหมายชอบไหมก็ไม่ชอบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุดมันก็จะไปลงทางใจนะเห็นสีได้ยินเสียงได้กลิ่นนิ้ววัตถกต้องสัมผัสก็อยากจะรู้อารมณ์ทางใจก็จิตจินดีในจิตมโนทวันวิถีจิตด้วยทั้งหมดเลยตกลงแล้วยินดีในกามคุณห้าเท่ากับยินดีในกามธรรมทั้งหมดนี่เป็นการมตัญหานะ ส่วนราวะตัณหาเป็นความยินดีพอใจยินดีในรูปปัจารรูปภพอะรูปปัจาร์อะรูปภพความยินดีที่เจือด้วยสัสตตตทิฐิคณะนี้ของพระอนาคามีนี่มีสัสสตตตทิฐิอยู่ไหมพระอนาคามีมีสัสตตตทิฐิัหมและพระอนาคามีที่ไม่ได้ฌานเนี่ยมีไหมมีหรือเปล่ามีหรือไม่มี พระอนาคา ม, มีที่เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ฌานมีไหมมีปะทำไมมาถามเราก็ไม่ได้เป็นพระอนาคา ม, มีมาถามเราทำไมใช่ไหมพูดถึงหลักการนะนะหลักการคือพระอนาคา ม, มีที่ท่านไม่ได้อบรมฌานก็มีใช่ไหมเป็นมนุษย์นะนะแต่ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยยังไงท่านก็ต้องได้ฌานเกิดในพมโลกนะเพราะว่าไม่มีคำยินดีในกามแล้วการมตัญหาไม่มีนะการมติหาของพระอนาคา ม, มีไม่มี แล้วก็ความยินดีในรูปปัจจานอารูปปานรูปประพบอรูปประพก็ยังไม่เกิดขึ้นตกลงภวะตัญหาของพระนาคามีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนยินดีในอะไรยินดีในตาอยู่หรือเปล่าไ ม, ไม่ยินดีในตาไม่มีความยินดีในตาเลยเหรอ <laughs> ท่านอยากจะทำลายตาไหม มีคนอื่นจะมาทำลายตาของท่านโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนะท่านอยากจะให้ทาลายหรือเปล่าไม่เลยนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าแม้ยินดีในสีเสียงกลิ่นรสกลดอภ ะ, ะยินดีในตาหูจมูกริ้งกายใจอยู่ก็เป็นภาวะตัณหาได้แต่ว่าต่างจากความยินดีที่เป็นการมตัณหานะเพราะว่าความยินดีในการมาตัณหาเป็นความยินดีในการมาทำเพื่อที่จะนำมาเสพนำมาบริโภค แต่ความยินดีในกามมรรำที่เป็นพระวัตรหานั้นเป็นความยินดีที่มันเป็นเชื้อมาจากสัสตตตถิฐิของพระอริยบุคคลเนี่ยนะคือยังอยากให้มันมีอยู่นะยินดีให้มีอยู่ยังอยากให้มีตาอยู่ยังอยากจะเห็นอยู่ใช่ไหมพระนาคามีเนี่ยท่านจะล้างตาอยู่ปะ ล, ล้างไหมท่านจะหยดตาไหมถ้าเกิดฝ้าตามันฝ้าฟางนี้จะหยดไหมยินดีในกามหรือเปล่าปล่าเลย มันก็เป็นการยินดีในพบนะเป็นการยินดีในพบนั้นภาว่าตันหาเป็นความยินดีนะที่ชัดเจนก็คือยินดีในรูปประชานรูปประพบอารมูปประชานอรูปรประพและยินดีที่เจือด้วยสัจสตทิฐิอันนี้พูดโดยนะโดยหลักการแต่ว่าแม้ว่าไม่มีสัจสตทิฐิแล้วไม่มีรูปประชานอรูปประชานให้เกิดตันหาแต่ก็ยินดีในไอสิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยนะถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าภวะราคานุสัย แต่ว่าเขาเรียกว่าภวะราคะได้ถ้าเป็นภวะราคานุสัยต้องยินดีในพวกรูปฌานอรูปฌานรูปภพอรูปภพพวกนี้จึงจะเป็นภวะราคานุใสนะเพราะฉะนั้นก็ธรรม5อย่างที่เป็นภวะราคาภวะราคะหรือภวะตัณหาเนี่ยคือความยินดีโลภะ ท, ที่ติดใจในฌานในภพในรูปฌานรูปภพอรูปฌานอรูปภพแล้วก็ยินดีที่เจอด้วยสัสตตตถิฐิ ส่วนวิภาวะตัณหาก็เป็นความยินดีที่เจือด้วยอุดเฉททิฏฐิไม่ปรารถนาอยากจะให้ตานั้นน่ะหายไปโดยที่ไม่ต้องมีการเกิดขึ้นอีกหูจมูกริ้นกายและใจไม่ต้องมีอีกต่อไปเลยนะของโยมมีความคิดอย่างนี้หรือเปล่าอยากจะไม่มีตาหูจมูกริ้นกายใจหรือเปล่าเนี่ยนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยากให้มีต่อไปหรือไม่อยากให้มี นี่จะเป็นอุเฉทัติฐิหรือเปล่าเนี่ยอือตกลงอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีถ้าอยากให้มีเป็นสัสตตตาทิฐิถ้าไม่อยากให้มีเป็นอุเฉทัติทิตกลงเอาอย่างไงเนี่ยถามว่ามีตาแต่ตาเป็นของเราไหมตาเป็นเราหรือเปล่าตาเกิดจากอะไร ตาเกิดจากกรรมเกิดจากตัณหาวิชาพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่จะไม่ให้มีตาคือต้องไปละกรรมตัณหากิเลสต่างๆซึ่งการที่ละสิ่งเหล่านั้นก็ต้องกําหนดรู้ตานั่นเองอุเฉททติทิกับมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะมีโอกาสใกล้เคียงกันได้นะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพวกที่สะสมอุเฉททติฐิมาก่อนนะไปดูใน ที่คณขัสูตรนะที่คณาขสูตรอัตถกาก็จะแสดงว่าพวกที่เป็นอุจเฉททิฏฐิเนี่ยนะถ้าเกิดนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าเกิดนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอันตรายมากเพราะว่าจะไม่ทําบุญเลยนะแต่ถ้าเกิดพวกสัตสถานทิฏฐิเนี่ยนะอยู่นอกพุทธศาสนาก็จะทําบุญแต่ถ้าเกิดเกิดในพุทธศาสนาพวกสัตสถานทิฏฐิทิฏฐินี่ก็จะเอาแต่ทําบุญก็เกิดในวัฏฏายาวไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นพวกอุเฉตทิฏฐิได้ฟังพระสัจธรรมแล้วเนี่ยนะอุปนิสัยในการที่จะไม่อยากให้มีมันมีมาก่อนเพียงแต่ว่าเคยเข้าใจว่ามีเราแล้วไม่อยากให้มีเราต่อไปแต่พอเปลี่ยนความเข้าใจนิดเดียวว่าไม่ใช่เรานะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นการที่จะไม่ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจคือต้องอบรมมั่งมีองค์แปต้องรู้เหตุและรู้ผลอันนี้ถึงจะเป็นวิธีการในการที่จะดับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ใช่เป็นเรานะ นนนิสระณนะนั้นท่านนิสระณะตานนิติปกรณ์เนี่ยท่านแสดงว่าหมายถึงพระนิพพานนิสระณโถเป็นชื่อของพระนิพพานนะส่วนมรักนั้นเป็นนิยานัโถเป็นนิยานัโถนะนั้นเครื่องสลัดออกในที่นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากกรามก็ดีเครื่องสลัดออกจากรูปจากเวทนาก็ดีนี่นะหมายถึงการกําจัดฉันทะราคะในรูปในกามในเวทนา การที่จะกำจัดฉันทราคะได้ต้องเกิดจากนิสรณะประหารจะมีนิสรณะประหารโดยที่ไม่อบรมอริยมครคได้ไหมเพราะฉะนั้นนิสรณะนั้นท่านจะรวมหมายถึงพระนิพพานโดยตรงรวมทั้งอริยมรดด้วยนะส่วนอัศธาอัธานั้นในนิติกรที่แสดงว่าหมายถึงสุขโสมนัสตัณหาวิปาัาสรวมทั้งอิทถารมทั้งหลาย เนะพราะนั้นก็จะเน้นว่าอาัศาธะนั้นเป็นสมุทรไทยนะพูดโดยส่วนมากนะส่วนอาทีนวะอันนั้นเป็นทุกนะอาทีนวะนั้นหมายถึงพวกทุกโทมนัสอ น, นิถารมลมนะแล้วก็ทุกขตาสามคราวนี้สําหรับอาศาาัศรทะเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะแปลกันว่าคุณเพราะว่าในพระไตรปิฎกเขาแสดงอย่างนั้นที่เขาแปลว่าคุณเพราะว่ามันมีอาทีนวะเขาแปลว่าโทษใช่ไหม เมื่ออาทีนว่าแปลว่าโทษอาสาทะมันก็น่าจะแปลว่าคุณแต่ถามว่าคุณในที่นี่มันคืออะไรนะถ้าเป็นการมมะคุณการมะคุณคุณตรงนั้นหมายถึงคุณธรรมหรือเปล่าไม่ใช่คุณในที่นั้นหมายถึงเครื่องผูกเครื่องผูกคือการผูกไว้ในวัฏฏะผูกไว้ที่ทำให้จมไปในอบายนะท่า น, นอาสาทะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกาทั้งหลายเนี่ย อัฐะของเขาก็คืออัปปัสสาทะอัปปัสส า, สาเทเถนะคือมีอัสาทะน้อยอสาทะน้อยในที่นี้ไม่ใช่คุณธรรมนะแต่ว่ามันเป็นเครื่องที่จะทำให้ยินดีเพลิดเพลินแล้วก็อยู่ในวัตตะต่างหากนะเพราะนั้นก็ถ้าเราจะแปลใหม่นะเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่ามันมีคุณธรรมถะว่าสุโสมนัสนี่มันเป็นคุณหรือเป็นคุณธรรมหรือเปล่านะ มันเป็นคุณนับประโยชน์ที่จะทำให้อยู่ในวัตฏะยาวๆหรือว่าทําให้ออกจากวัฏฏะสุขสมนัตเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขสมนัตนี้เป็นที่นอนเนื่องของการมราคาโนใสัยนะเป็นที่นอนเนื่องของการมราคาโนใสัยเป็นสิ่งที่จะต้องกำตรู้ท่านจัดว่าเป็นอ ส, สาทะก็เพราะว่ามันเกื้อกูลแก่ตันหานะเกื้อกูลในการที่จะทําให้วัตฏะยาวนะก็ อปัสสาทนนี้หมายถึงมีอสสาทะน้อยก็คือความน่ายินดีน้อยเหมือนกับอะไรเหมือนกับกระดูกนะเหมือนกับกระดูกอนะกลอนไขเนื้อสุนัขมันมาอยู่ข้างๆเขียงก็เลยเอากระดูกเนี่ยแล้วแต้มที่เลือดหน่อยเอาเลือดไปทาๆแล้วก็โยนให้ไปถามว่ามันมีประโยชน์อะไรกระดูกเนี่ยมีคุณประโยชน์อะไรไหมแต่มันมีอสสาทะไหมมีมันมีรสหน่อยหนึ่ง นามีรถไหนหนึ่งเจ้าสุนัขมันก็แทะอยู่นั่นได้ทั้งวันเลยใช่ไหมแต่ว่ามันอิ่มหรือเปล่าไม่อิ่มมันมีอสสาทามันมีความน่าเพลินใจแต่ว่านิดเดียวท่านั่นเองแต่ว่ามีทุกข์มากท่านจึงแสดงให้ว่าการทั้งหลายเนี่ยมีทุกข์มากทุกข์อื่นยิ่งกว่าการไม่มีชนเหล่าใดส่องเสษการทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกก็เราเศษการกันอยู่ทุกวันนะทุกวันนี้เยอะและตกลงจะเข้าถึงนรกไหมเนี่ย เข้าหรือไม่เข้าไม่เข้านะถ้าได้โสดาปฏิมาก่อนจะไม่เข้าแต่ว่าถ้าไม่ได้โสดาปฏิมากรไม่เข้าชาติหน้าชาติต่อไปก็เข้าได้ไม่เข้าชาติต่อไปชาตินน้นก็เข้าได้นะแต่ว่าจะมีประเภทที่ทําบุญแล้วก็ไม่เกิดในอบายภูมิอีกเลยนะจนทั่งได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะั้นเราจะประคับประคองจิตอย่างไรที่จะทําให้เราสามารถที่จะเจริญบุญกุศลแล้วก็ไม่ต้องเข้าถึงอบายภูมิอีกแล้วก็เข้าถึง มักผคนิพพานเกิดแต่ในสุกติภูมิแล้วก็ในที่สุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานนะะเชิญครับยอมฟังในเรื่องของโทษของกรรมอย่างนี้แล้วอยากบวชกันบ้างไหมนึกอยากบวชบ้างไหมท่านอาจารย์ก็าบอกเหมือนพูดบอกว่เหมือนอะไรเหมือนเหมือนกระดูกเลยเอาไปแต้มเลือดแล้วก็โยนให้สุนนะแทะกินกันทั้งวัน ตรงนี้ถ้าดูในโทษนะดูในลักษณะตัวคุณของกามไม่มีคุณประโยชน์ของกางมันไม่มีถ้ามองมองตามในลักษณะนี้ก็ยิงเห็นชัดเลยก็พอดีตรงนี้ไปดูที่พระพุทธเจ้าพิจารณาตรงที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาแผ่มหากรุณาที่คุณไปพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีพระมหากรุณาสมาปติยา ก็พิจารณาว่าโลกสันนิวาสนี่ถูกไฟเผาลุกชนก็แพมหากรุณาไปนในหมู่สัตว์ก็แปลว่าอะไรเห็นกามเนี่ยนะเห็นสัตว์ทั้งหลายกําลังถูกพวกกิเลสพวกกามตัณหาภาะวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาที่ท่านอาจารย์พูดเห็นหมู่สัตว์หรือเห็นหมู่เราท่านทั้งหลายคือผู้ที่คล้องอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยสตวานี่แปลว่าผู้คล้องเยอะแต่โพธิสัตว์จะแปลว่าผู้ข้องต่อการนิจเตตส้ อย่างเราคล่องที่จะอยู่ในสังสารวัฏแต่ถ้าใครที่อาถารนะกล้าหารในการที่จะสมาทานตั้งมั่นบว่าจะนำคำว่าโพธิใส่ไว้ในใจแล้วจะเป็นสัมมาสัมโพธิปเจกโพธิหรือสาวากาโพธิถ้าอย่างนี้แปลว่าต้องการค่องอค่องอยู่ต่อการที่จะตัดสินนี้ถ้าบอกว่าโลกสันนิวาทนี่นะยกพลแล้วยกพลแล้ว ก็ตอนนี้กําลังยกขันธภาล้ขึ้นมาแล้วโลกสันนิวาสนี่เคลื่อนพ้นแล้วตอนนี้ก็เคลื่อนใช่ไหมตอนนี้เคลื่อนพ้นแล้วเดินทางผิดแล้วโดยส่วนใหญ่นะมิจฉามรรคนี่เป็นแถวมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายมะมิจฉาสติแล้วมิจฉาสมาธินั้นกรรมตัฏหานเพระวัฏฏาแล้วก็วิเพระวัฏฏานเนี่ยกลุ่มมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละ โรคสันนิวาสนี้ก็ถูกชะลานําไปแล้วก็ไม่ยั่งยืนไปเคลื่อนไปหาชะลาแล้วก็โลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกสันนิวาตไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องละทิ้งสิ่งต้องปวงไปแล้วก็โลกสันนิวาตเมื่อตัณหาเนี่ยสิงอยู่ในใจของสัตว์แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของกามมาตัณหาภว่ตัณหาและวิภวะตัณหาโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เล้นไม่มีที่พึ่ง โลกสันนิวาสคือรูปรขันเวทนาสัญญาสังขารนี่ไม่เป็นที่พึ่งของใครนะและก็โลกสันนิวาสสา้นไปคือไม่สงบแล้วโลกสันนิวาสที่ถูกสอนใช้ลูกสอนเป็นอันมากเสียบแทงตนเองอยู่นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถถอดลูกสอนคือการมตัญหาเพราะว่าตัญหาเป็นต้นเหล่านี้นะออกจากกระแสใจของสัตว์ได้ โลกสันนิวาสนั mus mind, ้นมีความมืดคืออวิชชาปิดกั้นไว้ถูกขังไว้ในกรงคือกิเลสนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่จะแสดงธรรมให้เห็นแสงสว่างให้กับโลกสันนิวาตได้ตอนนี้พวกเราเนี่ยนับว่าบุญญ่าลาวันประเปิดนะที่มีพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศบอกว่ากามเนี่ยมันเป็นโทษยานโซพลงก็บอกว่าเออชีวิตคารวะเนี่ย การเห็นโทษก็ยากอันนี้เรื่องจริงนะแต่ถ้าใครควรพิจารณาไว้เนี่ยจะเป็นคุณนะเพราะที่สุดจริงๆก็คือให้มีอัธยาศัยในการเห็นโทษใช่าเห็นโทษของกรรมโลกสันนิวาสน่ตกอยู่ในอานาจของอวิชชาแล้วก็มืดมนอนทาการอนวิชชาห่อหุ้มไวน้นะ ย, ย่งดุดเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มกล้อนนุงนางดุดหญ้าป้องหญ้ามุงกระตายไม่ล่วงพ้นจากสังสารวัต คือไม่ล่วงบกพ้นจากอบายทุกติวินิบาดนรกฉะนั้นโลกสันนิวาตก็คือหมู่สัตว์เนี่ยนะถูกยาพิษที่มีโทษคืออวิชาฉาบทาอย่างหนาแน่นมีกีโดกิเลสห่อหุ้มแล้วก็เป็นโทษอย่างมากด้วยถ้าเรามองอย่างนี้คือตันหาห่อหุ้มไว้ถูกขายคือตันหาถูกนิวาสคือกระแสของตันหาพัดพาไปโลกสันนิวาสก็ถูกตันหาเป็นเครื่องคล้องเข้าไว้ซ่านไปเพราะเดิมนาศของตันหาหนุสัย โลกสันนิวาสก็เพราะความเดือดร้อนเพราะตัณหานี่แหละเร่าร้อนก็เพราะตัณหาถูกทิฏฐิกุ้มรุมอยู่เป็นต้นเหล่านี้ก็คือว่าถูกชาติติดตามชาราติดตามพยาธิติดตามมรณะห่ําหันต่างๆถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่านี่ไงไอตัวตัณหาต่างๆเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วการ ม, มาตัณหาเพราะวาตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยก็พาเราวิ่งเข้าสู่สังสารวัฏเลยแต่นี้ก็เดือดร้อนกันะนุ่งนางกันหมดเลยต่นีนะ่ชีวิตก็เดือดร้อนกัน ฉะนั้นอย่างเราทั้งหลายก็เป็นถ้ามองรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอนะแล้วพุทธเจ้าก็มียาคือพระธรรมพวกเราก็คือเป็นคนไข้ฉะนั้นเราจะปฏิเสธยาปฏิเสธหมอไม่ได้หมอมีอยู่ไหมตอนนี้ฉะนั้นการไม่ไปหาหมอไม่ใช่เป็นความผิดของหมอแต่เป็นความผิดของคนไข่ใช่ฉะนั้นพวกเราดีแล้วที่เราทําตัวเป็นคนไข้ที่คนไข้เนี่ยจะต้องเชื่อหมอไหม ต้องเชื่อหมอหมอในที่นี้คือพระเจ้าพระธรรมนั้นก็คือจะเป็นธรรมมาหวสถวันนี้เราก็มาฟังธรรมเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะรู้สูตรของยาเดยรวมรู้ยาเพื่อจะดับความเร่าร้อนคือพิษไข้ทั้งหลายหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้ามองในชั้นของคําว่ากามนี่นยที่บอกว่าพูดถึงนี้เรื่องของกามวัตถนาเพราะวัตถนาแล้วก็วิภวัตถนาแล้วก็พูดที่เห็นถึงความ เร่าร้อนของกามทั้งหลายเหล่านี้ที่จริงประเด็นถามโทษของกามนี่ย่งถามไปแล้วใช่ไหมถามไปหรือ<า>ยังก็คือการทําเป็นเครื่องสลัดออกนะครับอันนั้นก็หมายถึงเป็ น, ปนบายวิธีในการ<อ>พิจารณาหเห็นโทษของกามรตรงนั้นนะท่านหมายถึงพระนิพพานที่ว่าท่านอาจารย์สันติพูดถึงนิสรณะคือพระนิพพานถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นนะการเกิดเนี่ยนะ การเกิดนี่เป็นเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดก็เป็นพระนิพพานความแก่เนี่ยชราก็คือเป็นทุกข์ถ้าดับความแก่จะได้ก็เป็นพระนิพพานยังไม่เป็นนิสสระพาภยาทิก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าดับพยอาทิได้อย่างถาวอลก็เป็นพระนิพพานไอ้ความตายก็เป็นทุกข์ฉะนั้นความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นทั้งหลายทั้งหลายนี้เป็นโทษของกรรมทั้งนั้นเองแต่ถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้นะเป็นนิสรณะ อันนี้แปลว่าทําจิตให้ยินดีก็ไว้ทําจิตให้มีเป้าหมายมีความหวังก็ไว้พระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยเป็นเป็นผู้เนี่ยสอนอุดมการณ์ชัดมากคือสอนให้สาวกของพระ อ, องค์เนี่ยเมื่อยังไม่ถึงเนี่ยไม่ให้หยุดตั้งความหวังนะให้ตั้งอัธยาศัยตั้งความหวังก็ไว้ให้สังเกตเนื้นอยังบางสูตรอย่างยกตัวอย่างเช่นในกากาจูบะมะสูตรเนี่ยเห็นชัดเลยทั้งทั้งที่ยังทําไม่ได้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นจะละความโกรธเนี่ย เช่นพุทธิจ่าก็อุปมาบอกว่าเออเนี่ยที่ภบบอกกับโมริยะพระคุณนะบอกว่าถ้ามีใครมาตําหนี่เธอมีใครมาประทุษร้ายเธอหรือประทุษร้ายภิกษุนี้ต่างๆเธอท่านไปเกี่ยวข้องในรายละเอียดไม่เล่ารายละเอียดทั้งนั้นพุทธิย่าก็ให้ตั้งอัธยาศาัยก็ไว้ว่าหนึ่งจิตของเราจะไม่แปรปวนเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วออกมานะี่ยและในขณะเดียวกันก็บอกว่าให้อุปมาไปดู ด, ดังแผ่นดินทําจิตของตอนเองให้เสมอกับเมตานะทำเมต้ายิ่งใหญให่ให้ให้กว้างใหญ่ให้ไพศาล ปรดุดดังน้ําเป็นต้นเหล่านี้ที่สุดจริงๆก็ให้ตั้งอุดมการณ์สูงสุดก็คือว่าอุปมาเหมือนเลื่อยถ้ามีโจรที่ต่ําช้าเร็วซามเนี่ยเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างเนี่ยมาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอเนี่ยในขณะนั้นน่ะถ้าเธอมีจิตแปรปวนคือไปโกรธไปไปโกรธไปน้อยเนื้อต่ําใจกับบุคคลที่กําลังประทุษล้ายด้วยการตัดอวัยวะน้อยใ ห, ใหญ่เธออยู่ในขณะนั้นชื่อว่าไม่ทาตามคําสอนของเราอันนี้แปลว่าอะไร แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งอุดมการณ์ในใจอย่างหนึ่งนี้ให้ตั้งไว้ก่อนตอนนี้มันยังทําไม่ได้ใช่ไหมให้ตั้งไว้ก่อนว่าถ้าใครมาปัสสาวะไล่เราด้วยการเอาเลื่อยมาตัดอวัยวะเนี่ยเราจะไม่โกรธท่านผู้นั้นแม้ไม่โกรธไม่พอและจิตของเราจะไม่แปรปลวนเราจะเปล่งเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วเราจะแผ่เมตตาจิตในภายในไม่โทสะเกิดในภายในถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าปัจจุบันก็ทําไม่ได้แต่การตั้งอุดมการณ์ไว้ในใจก็เหมือนพระนิพพานนะ่ยนะ ปัจจุบันไม่ได้แต่เราตั้งไว้สักวันหนึ่งเราจะต้องปรินิพพานได้ฉะนั้นการตั้งโอุดมการณ์ในใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่น่ายินดีนะเพราะเป็นธรรมชาติที่ดับวัฏจักรฉะนั้นนิสต ร, รณะก็คือการที่จะออกจากโลกสันนิวาตออกจากชรลาออกจากพยาธิออกจากมรณะออกจากการตกอยู่ในห่วงเหงื่งวัฏทุกออกจากโลกสันนิว่าที่ถูกตัณหาดักไว้ออกจากโลกสันนิว่าที่ถูกกำแพงคือชะลาล้อมไว้ ถูกบ่วงคือมัดจุคล้องเขาไว้คือความตายค้องเขาไว้เนี่ยก็ให้พิจารณาเห็นภัยเห็นโทษต่างๆเแบบนี้แต่นิพพานเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่ปลอดโปร่งเป็นที่ที่จะทําให้เรานั้นพ้นจากพันธะกรณีทั้งหลายเหล่านี้การตั้งอัธยาศัยบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆกําลังใจก็จะเพิ่มขึ้นท่านพระทเจ้าจะสอนในเรื่องของการตั้งอัธยาศัยให้ชัดตรงนี้ก็ก็ฝากให้คิดตรงนี้ไว้นอควร่ว ยอมอยากให้พูดทั้งสามครูนี้ตอนขึ้นต้นท่านพระอาจารย์ก็ได้ถามยมว่าฟังเรื่องโทษของกรรมมาบ่อยๆทั้งวันเนี่ยมีใครนึกอยากจะบวชบ้างหรือยังเนี่ยอ่ะแต่มาฮะมีหละยอม <c oughs> <c oughs> โอ้ยยัง <c oughs> ตอบด้วยความมั่นใจนะทีนี้อาตมาไม่ถึงกับอยากจะให้โยมมาบวชหรอกแค่โยม ย, ยังนั่งฟังอยู่ได้ก็ถือว่าน่านุมโมทนาแล้วโยมเพราะอะไรทราบไหมส่วนมากเขาฟังไม่ได้นะเรื่องพวกนี้โอ้ยอะไรคำสอนอะไรประหลาดขนาดนี้มีแทนที่จะ ชวนคุยกันเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจโลกยังมีอะไรให้ดูให้ฟังตั้งเยอะแยะใช่ไหมมานั่งชี้แต่โทษมันอยู่เนี่ย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเรายังไม่มีอธิยาใสถึงขั้นนึกน้อมอยากจะบวชแค่นั่งฟังได้ทั้งวีทั้งวันเนี่ยก็ถือว่าน่าเชื่อชมยินดีอนุโมทนามากแล้วโยมนะแต่ก็คิดว่าข้อมูลเหตุผลที่พวกเราได้รับฟังกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไร ห, หรอกโยมมันถูก สั่งสมไว้ในอธิยาสัยของเรานี่แหละนะที่จะเมื่อได้เหตุปัปจจัยถึงพร้อมวันไหนยอมไปเจอจังจงเข้าของจริงเลยนะเวลาการมันออกพิษมาให้เห็นเนี่ยแล้วยอมจะนึกถึงเนคขมมะนะหรือว่าทางปลอดภัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สงชี้ทางไว้ให้แล้วตอนนี้เราก็ยังคือมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดายอมที่ยอมตอบว่ายังเนี่ยเดี๋ยว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายอมบอกว่า เริ่มแล้วเนี่ยนะอันนี <ted ları S 2> ้ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องดัดจริตก็ได้ขอแฟนนะไม่ทราบมีใครพูดหรือเปล่านะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ดัดจริตนะโยบางคนเขาก็อาจจะมีอธิยาไซที่พิจารณามานานแล้วก็คือเริ่มเริ่มที่จะมีมีใจน้อมไปแล้วนะคิดใครควรหาเนี่ยนะอย่างถามโยมผู้ชายคนหนึ่งนะขอออกเชื่อนิดนึงนะ ยมวรวัตเนี่ยอาจจะมาถามมานอนแล้วนะถามมาหลายปีแล้วยังไม่เคยบอกว่าผมยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะแต่ถามเมื่อวานใน ย, ยมได้คำตอบใหม่แล้วนะคาตอบใหม่ออกมาว่าผมคิดว่าถ้าผมจะได้บวชนะไม่อยู่สุพรรณก็น่าจะอยู่ละเอียด <c oughs> นี่นี่คำตอบใหม่มันเกิดขึ้น น, นะยมอ่า หลังจากที่ดูทิศดูทางแล้วว่าแม่บ้านอาจจะไม่ต้องฆ่าตัวตาย <laughs> อันนี้ก็คือข้อมูลที่เราเก็บเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปนี่กันอยู่แต่ตอนนี้มันโดนเขาเรียกว่าไวรัสใช่ไหมหอืมไวรัสมันเข้าไปก่อกวนนะมันก็ไม่ค่อยพุดขึ้นมาเนี่ ย, เ, ยเราก็ยังเห็นอัตราทะของสิ่งเหล่านั้นอยอนนู่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่ บริษัทเวลาท่านตั้งความปรารถนาเนี่ยแม้แต่พระเวสสันดรเนี่ยนะท่านนิพพานโดยส่วนเดียวไหมท้าสักกามาให้พรแปดข้อทั้งแปดข้อข้อที่หนึ่งนิพพานข้อที่สองนิพพานข้อที่สามนิพพานเปล่าเลยนะโยะท่ท่านก็ท่านก็ทราบว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นนะข้อข้อที่แปดน่ก็จึงจะโยนไปข้อนั้นใช่ไหม ในระหว่างที่ชีวิตยังดําเนินไปอยู่เนี่ยก็สามารถวางแผนวังเป้าหมายชีวิตไว้ได้นะแต่ประเด็นที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คําตอบที่โยมถามนะเพราะว่าโยมถามในเรื่องของตัณหาสามใช่ไหมเดี๋วพอดีนึกได้เพราะว่ า, าคือบางคนเนี่ยเขามาฟังธรรมที่วัดแล้วก็ฟังไม่ได้อยมเช่นเราพูดเรื่องอะไรที่มันไม่สวยไม่งามะนะทำไมคําสอนนี้มันแปลก ทำไมมาพูดแต่เรื่องของโกโปโกส ข, ของโซกโปโกอย่างนี้อยองคือคือเพราะว่าอธิยาสายยังไม่คุ้นเคยว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราได้พิจารณาสิ่งที่เราไม่เคยพิจารณานั่นแหละทั้งๆ้งงที่ความจริงมันก็บอกอยู่อย่างนั้นแหละใจเราก็ไปทํางานที่อื่นเถอะใจเราไปเที่ยวไปคิดไปกําหนดรู้ที่อื่นนะวิบัรานก็เลยครอบงาําท่วมท้นอยู่ในชีวิตอยู่เนี่ย น, นะแต่ว่าประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยตั้งใจ จะให้เราบันเทาวิปรราชลงบ้างนะแล้วก็ถึงเมื่อถึงเวลาที่ของจริงมันจะแสดงออกจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่ช้ำ ม, มากไม่ทุกมากคือทิ้งทันนะนะหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวชั่วคราวได้ทันนะอย่างน้อยๆก็วางใจได้นะปลงใจได้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่สิ่งที่เรารักยึดมากที่สุดคือตัวเราเองเนี่ย มันก็ไม่ใช่ของที่เราจะยึดอะไรไปได้เลยนะนี่มาพูดประเด็นเรื่องตัณหาสที่เป็นประเด็นคําถามก็คื อ, อถามว่าการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาคืออย่างไรนะท่านพระอาจารย์สันติก็ขยายความไปเราพวกเราจํากันได้ไหมการมาตัณหานี่คืออย่างไร